ใจฟังเหตุไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยได้ความอดความทนได้ความเพียรเพียร น, นี่แหละคือตบะเผาเหตุให้ไหมจุนไปเราหยะยแย่ให้กิเลสสั่งได้เหตดสั่งให้ขยับขยื่นเคลื่อนที่แล้วสั่งอย่างนั้นสั่งอย่างนี้ก็สั่งได้ฟังคับเราได้ ปอกมาณกิเลสได้อำนาจเขาเรายังไงจะอยู่เหนือเขาได้ละ่ะ <c oughs> ถ้ามันสงบก็ปล่อยให้มันสงบไปเลย ฟ, ฟังไปฟังไปตรงจิตออกมาให้มันสงบถ้าเกิดความสงบขึ้นก็เรียกว่าเราได้จับได้ฐานได้เจนได้หลักได้เจนขึ้นมาหละในการประพฤติปฏิบัติ วันนี้จะพูดเรื่องเรื่องทิปัินาภูมิปัิศนาภูมิ ท, ที่ปัสศนาภูมิที่เราสวดไปเมื่อกี้นี้สวดกุศลาแล้วก็มาสอบสองก็พูดเรื่องทิปัสศนาภูมิถ้าสวดแล้วเข้าใจก็จะเจรนาไปด้วยได้เกิดปัญญาไป นั่นการทำวัดสวดมนต์นี้ยประโยชน์หลายได้ทั้งศีลได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาด้วยปััศนาภูมิปัชนาแต่ว่ารู้แค่แห่งภูมิก็แปลว่าภูมิจิตภูมิใจภูมิศีลภูมิธรรมนี่แหละภูมิศีลภูมิธรรมภูมิกิตภูมิใจภูมิสติปัญญานี่แหละปรัชนาภูมิภูมิ ที่เราสวดไปนั้นมันมีอยู่6ภูมิสติปัญญาการู้แจ้งหึ่งขันห้านึ่งขันห้าอายตนะ6อายตนะ12บสองธาตุสิบแปดสี่ยี่สอริยสัจสี่และกระแสปฏิจจสมุปบาทเป็นภูมิของสติปัญญา ภูมิจิตภูมิใจถ้ารู้อันใดอันหนึ่งในหกอย่างนี้ก็ทะลุใส่กันหมดทะลุใส่กันหมดถ้ามารู้เท่าเข้าใจเรื่องขันห้าก็ทะลุไปใส่อายอัดในหน้สบสองขันห้าเกิดดับเพราะอาศัยอายัดนสิบสองนั่นแหะอ่ามันจึงทํางานไปได้ขันห้าก็ต้องอาศัย ธาตุดก็อายตนะหนั่นท่านแสดงให้เราให้รู้ว่ามันเป็นธาตุเฉยๆอันนี้อายตนะก็เหมือนกันแต่ถ้าที่ต่อบ่อกเกิดของกิเลสเอจจะไหลเข้าทางอายตนะนี้ไปกระทบจิตก็จะเกิดผัสสะขึ้น ก็เกิดเวทนาขึ้นนั่นล่ะก็เป็นอันเดียวกันเรียกว่าขันหาทํางานทันทีนั่นแหละแต่ไปถึงธาตุสิปก็เหมือนกันธาตุรู้ธาตุรับธาตุกระทบธาตุรับธาตุรู้ธาตุกระทบตามธาตุจากขู่ธาตุเรียกว่าธาตุรับธาตุกระทบก็คือรูปธาตุรู้ก็คืออิญทรีจากขูวิญญาณ ตามอันนี้ท่านก็แสดงไว้ให้เป็นธาตุให้เป็นธาตุถ้าพูดละเอียดลงไปก็เป็นขันห้าคือเก่านั่นตาก็คือรูปภายในนั่นรูปที่มากระทบกับตาก็คือรูปภายนอกรูปภายนอกรูปภายในกระทบกันความรู้เกิดขึ้นก็เรียกว่านามเรียกว่าขันห้าคือเก่าแต่แยกพูดเป็นธาตุเฉยๆอันเนี้ย ต่อไปก็พูดเรื่องอินทรีย์ยี่สิบสองก็คือขันหาอันเก่านั่นแหละแต่ย่อยออกไปอีกละเอียดออกไปอีกจากคค้งทะลินทรียดีมีความเป็นใหญ่มีความเป็นใหญ่ในตัวของมันอยู่ในตัวของเขาอยู่นั่นแหละดีตาก็มีความเป็นใหญ่ในการเห็นมือิ้ก็มีความเป็นใหญ่ในการได้ยินก็พูดอันเดียวกันนั่นแหละ ประมาณตาหูจมูกลิ้นกายก็สงเคราะเรียกว่ากายคือเก่านั่นแหละรูปคือเก่านั่นเล ย, ลเเลยใจก็เรียกว่านา้ำขันห้าพูดเรื่องขั้นห้าคือเก่าแต่ว่าเรียกว่าถ้าเข้าใจอันในอันหนึ่งก็ทะลุใสกันหมดพูดให้ฟังขอเข้าใจอันนี้นขึ้นไปอริยสัจสี่ก็คือขั้นห้าที่ท่านเรียกว่าทุกข์นั่นเอง สมุทรไทยนี่ลดมั้งตัจจะสี่อย่างความจริงสี่อย่างประคันห้ามันเกิดดับนี่แหละตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นนิ้นได้รสนี่แหละยานเกิดขึ้นก็เป็นขันห้าเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้ความจริงอันนี้ไม่มีใครห้ามได้สัจจะ คือความเป็นจริงท่านเรียกว่าวิบากขันขันห้ามันทํางานมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปมันเกิดมันดับเขาเรียกว่าทุกข์เท่านั้นเลยเกิดมันตายอยู่อย่างนี้มันทํางานอยู่อย่างนี้ขันห้าก็คือตัวเรานั่นะ ค, คือใจนั่นแหละย่อลงไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดเห็นรูปเห็นได้ยินเสียงขึ้นแล้วก็ดับ มันได้ยินเองเกิดเองรู้เองเรียกว่ามีบากขันผลของขันห้ามันทำงานอยู่อย่างนี้เป็นความจริงอยู่อย่างนี้เป็นสัจจะอยู่อย่างนี้แต่ทุกคืออริยสัจจริงนันให้อยู่ที่ไหนสม่หมุไทยก็เหตุเกิดแห่งทุกถ้าเราไม่รู้ว่าขันห้ามันทำงานอย่างนี้เราไปอุปทานเอาขันห้าก็ว่าโดยย่อ อ, อุปทานขันห้านะี่ยคือทุกไปกาหนัด ขัดเครืองในโลกในอารมณ์หรือในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นนะก็เป็นเกิดความโลภความโกรธขึ้นมานะี่เกิดตัณหาขึ้นมานี่ยนะตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็เกิดเกิดจากไงถ้าไปยึดไปถือเอาคันห้าก็เรียกว่ากำหนัดหรือขัดเคืองเพราะไม่รู้ว่าคันห้ามันเกิดดับเป็นเองอย่างนั้นอริยสัจนสะี่เนี่ยก็ต้อง เป็นอย่างนี้ฝ่ายเกิดฝ่ายเหตุหรือฝ่ายเกิดก็เรียกว่าทุกขสมุทยัยฝ่ายดับก็เรียกว่านี่โลดมักดับขันห้าดับด้วยสติปัญญาดับตัณหาดับสมุทัยนี่แหละดับลงก็ไม่ได้พูดเรื่องอื่นก็เรื่องขันห้าอย่างเดียวเท่านี้ตัณหาก็เกิดจากขันห้านี่แหละเกิดจาก ได้เห็นลูกหูได้ยินเสียงนี่แล้วตัณหาเรียกว่าการมตาตนะัณหาเนกะิดจากการมาคุณห่านรูกเสียงสิ้นลดภายนอกเรียกว่าวัตถุกามนั้นตาหูจมูกดินก้นไปใจก็เรียกว่ากามภายในกามภายนอกภายในหือกิเลสกามทําให้เกิดกิเลสนี่เลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะีไม่ได้อยู่ที่อื่น มาลู่เท่าเอาทันขันห่านะว่าขันห่าเป็นเองดับเองเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้ขันห่ า, าว่าจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันเกิดเองดับเองไม่มีเราอยู่ในนั้นไม่สาคัญตนเมื่อผัสสะเกิดไม่หลงไม่สาคัญตนไม่หลงว่าเรามีอยู่ในนั้นเกิดเอ ง, เองของมันดับเองของมันท่านก็เรียกว่าวิบากขันหรือทุกข์สัตว์ หรือทุกอริยสัจจริงเนี่ยเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรก็เรื่องขั้นห้านี่แล้วขึ้นไปปฏิจจสมุปบาทก็เหมือนกันปฏิจจสมุปบาทก็ไปจากอริยสัจสีก็อันเดียวกันลูกกับนามยิงอาศัยกันเกิดตาหูอยมูกลิ้นกายใจก็คือลูกภายในยิงอาศัยกันเกิดเมื่อมันได้รับ แล้ว่าส่งไปบอกใจใจก็คือน้ำกายกับใจก็ยิงอาศัยกันเกิดเรียกว่าอัญญะมัญญะปัจจัยรูปกับน้ำหรือกายกับใจอาศัยกันเกิดรูปก็คือตาหูอย่ามวกดิ้นกายใจนี่แหละรูปภายในมันรับเอารับอารมณ์เข้าไปเข้าไปบอกใจใจก็นั่งคอยฟังอยู่ข้างในนี่แหละรูปนี่ท่านเรียกว่าสันีละ รีลละกายสนใจท่านก็เรียกว่าน้ำกายกับใจเอีงอาศัยกันเกิดมันก็ตาเห็นรูปมันก็ไปบอกใจหูได้ยินเสียงมันก็บอกใจใจก็เลยเกิดรู้อารมณ์ขึ้นมาทับอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์ก็เลยท่านลมอ น, นิจท่าลมเกิดขึ้นไม่ได้อยู่ที่อื่น ท่านจึงว่าอาวิชาปัจจะยสังขลานสังขลาปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณังปัจญานามาตุปังที่เราสวดไปมันอาศัยกันเกิดอิงอาศัยกันเกิดเป็นปัจจยัยอาศัยซึ่งกันและกันอวิชาก็เป็นปัจจยัยให้สังขารสังาขารก็เป็นปัจจยัยให้อวิชาต่างอันต่างเป็นปัจจยัยให้กันอยู่อืม มันก็คือคันห้าอันเกา่ารู้แจ้งแทงแ่งตลอดในคันห้าก็ดับอวิชชาได้ไม่ได้ไปรู้ที่อื่นหรอกอวิชชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับยานดับนามลูกก็เกิดไม่ได้นามลูกก็ดับเหมือนกันนามลูปดับอายตนะสลายตนะก็ไม่เกิด แตระยตหนะไม่มีพัรษาก็ไม่มีแล้วพรรษาก็ดับเวทนาก็ดับอันฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเกิดคือฝ่ายดับอันเรียกว่ากระแสสมุ ท, ยมทยัยกระแสปฏิจจสมุบาทกระแสความโลภความโกรธความหลงกระแสสมุทยัยก็อันเดียวกันตั้งชื่อไปสมมุติไปหลายๆอย่างก็เรียกอันเดียวกันนัะ เรียกออกจากนี้แหละเรียกว่าอัญญะมัญญะปัจจัยปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดก็อันเดียวกันลูกกับนามอิงอาศัยกันเกิดลูกกับนามก็คือขันห้าดังนั้นท่านจึงให้มารู้จักขันห้าทีแรกถ้ารู้จักขันห้าแล้วก็ท่านู้หมดขันห้าต้องพยายามรู้ความรู้จักขันห้าใหม่เราได้ยินแต่ชื่อว่าขันห้าขันห้ า, หาต้องเอาว่า ขันห้าคืออะไรมันเกิดมาจากไหนต้องรู้จากมันจะดับขันห้าได้ต้องรู้ว่ามันเกิดมาจากไหนมันมีพ่อมีแม่มันอยู่ที่ขันห้าต้องมาค้นแลลวค้นหาขันหาขันหาก็คือรูปกับนามรูปหนึ่งนามซีคเนี่ยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ รูปหนึ่งนามสีก็าเรียกว่าขันห้าขันแปลว่าหมวดแปลว่ากองอันนี้กองรูปนั่งอยู่เนี่ยข้างในนั่นก็กองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณต้องรู้รู้ขันห้าตามความเป็นจริงนี่แหละคือขันห้าบางทีเขาก็เรียกว่าสังขารขัน คือรูปกับนามปรุงแต่งกันขึ้นรูปก็มีดินน้ำลมไฟมาปรุงแต่งขึ้นนามกับใจก็มีน้มสีเทธนาสัญญาไปปรุงแต่งใจขึ้นนันจึงเรียกว่าสังขารสังขากายสังขารจิตและพรพัฒจะตั้งสมมติไป ท้ายก็มาสมมุติว่าเราสมมติว่าสัตว์นะว่าคนสมมติว่าตัวสมมติว่าตนสมมุติว่าเราสมมติว่าเขาก็สมมุติตัวขันห่านี่แหละนะไม่ใช่ไปสมมุติที่อื่นเราก็แยกออกดูหละเทีนี่คำว่ารูปนี่ประกอบด้วยธาตุสี่เอาคือดินน้ำลมไฟธาตุสี มันเกิดมาจากไหนได้มาจากไหนธาตุสีนี่ต้องรู้จักที่มาของมันแต่ดับธาตุดับขันนั่นน ะ, ะดินได้มาจากไหนได้เกิดมาจากไหนก็เคยอธิบายให้ฟังบ่อยแล้วธาตุดินคือธาตุพ่อได้มาจากพ่อพูดย่อๆให้ฟังเลยธนะาตุน้ําก็ได้มาจากน้ําจากแม่อ่า ดินยีสบอ็ดอย่างน้ำสิบสองอย่างหรือดินยี่สิบอย่างน้ำสิบสองอย่างอาการสาสบสองนี่ได้มาจากพ่อจากแม่นี่ธาตุดินกับธาตุน้ำได้มาอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ขันห้าเนี่ย น, นะฝนลมไฟก็อาศัยอยู่ในเมื่อดินกับน้ำไปปฏิไปผสมกันกลมกลืนกันตัวคนทัน ตัววิญ ญ, ญาณหรือใจก็ลงมาปฏิสนธิได้โอกาสก็ลงมาตัวคนทันลงมาเกิดน้ำลงไฟอากาศวิญญาณแยกออกเรียกว่าลูกกับน้ำเรียกว่าขันห่านี่แหละตัววิญ ญ, ญาณนี่ เ, เรียกว่าตัวคนทันคนทันมาอาศัยเกิดในท้องในทันของแม่เรียกว่าปฏิสนธิมาปฏิสนธินึ่ ก็มาอาศัยอากาศลมหายใจของแม่เนี่ยถัดล ม, มาอาศัยความอบอุ่นจากร่างกายของแม่เนี่ยธาตุไฟก็ได้ธาตุสีขึ้นมาปรุงแต่งกันขึ้นมาตัววิญญาณก็อาศัยอยู่ในธาตุนี่ตัววิญญาณนี่จึงไม่ใช่กินน้ําลงไฟมันคนละส่วนกันตัววิญญาณนี่คือตัวสัตว์ที่ลงมาปฏิสนธิ ต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าสัตว์บาปอภุญญาที่สังขารสังขารที่เป็นบาปสัตว์บาปมาเกิดมันก็เป็นคนบาปแหละว่ายากสอนอยากรูปร่างหน้าตาก็ขี้รล้วขี้เละแล้วคนบาปมาเกิดเปรตคนนรกมาเกิดมาจากเปรตมาจากนรกวิดกรรมวิดเบนหมดกรรมหมดเวนใหม่ๆมาเข้าท้องคน ได้ลูกก็ได้ลูกเป็ดล่ะเกิดมาจากเดรัจฉานพวกเนี้ได้มหมามาเกิดวิญญาณมหมามาเกิดพวกนี้มันเป็นยังไงปุญญาชิดสังขารกับปุญญาชิดสังขารสังขารวิญญาณที่ลงมาปฏิสนธิเป็นคนมีบุญก็เกิดมาก็รูปร่างต่อเลาถ้าเป็นชายผู้หญิงก็สวยงามอดไม่อยาก คนพุนมาเกิดคนบาปเมื่อเกิดก็พ่อแม่ก็ยากจนหาเกิดที่ยากที่จนเนีน่คนบาปให้เข้าใจนี่แหละคันห้าตัวเราเนี่ยมันเกิดมาอย่างนี้เกิดมาเอาพ่อมาปฏิสนธที่ในคันสัปดาห์แรกนี่มันจะมาสร้างตาขึ้นก่อนนะตัววิญญาณมันยังมีปิดใจอยู่ ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสอยู่มันจึงมาสร้างตาขึ้นมาเพื่อรับอารมณ์ติดอยู่ในอารมณ์อยู่พวกเนี้ยมาเกิดนถ้าคนไม่มีอารมณ์อย่างนี้ไม่มาเกิดไปพระนิพพา น, านมันก็สั ป, ปดาห์แรกจะสร้างตาขึ้นก่อนทุกอย่างจะเกิดตาขึ้นก่อนแม่แต่ไก่แมแต่ วัวควายก็เหมือนกันตาจะเกิดก่อนอันนี้ก็เหมือนกันสั ป, ปดาห์แรกก็มาสร้างตาขึ้นสั ป, ปดาห์ที่สองก็สร้างหูสร้างจมกูกสร้างลิ้นสร้างกายขึ้นฮะสร้างมันสมองขึ้นแล้วที่นี้เกิดเป็นหัวขึ้นมามทีนี้ก็พออยู่มาได้ประมาณหกสิบสี่วันพวกนี้ก็เกิด เป็นตัวเป็นตนหัวสองสองขาสองแขนสองขึ้นมาแล้วจึงอ้วนเป็นเกิดเป็นหัวแล้วแบเป็นแขนสองขาสองขึ้นมาได้เป็นสี่นี่แหละท่านเรียวกว่าขันห้าเกิดเป็นห้าอย่างขึ้นมาแขนสองขาสองก็เป็นสี่ห้าก็หัวนั่นได้ น, นี่เป็นรูปเหมือนกับจิ่งจบกิ่งเลน ขึ้นมาอารมณ์ก็เกิดมีอารมณ์แล้วนะทีนี้ยมีเวทนาแล้ว64วันนี้มีเวทนาตามหนังสือท่านเขียนเอาไว้ก็สุด64วันนี้มีอารมณ์แล้วเด็กในท้องอารมณ์ใช่อารมณ์รับอารมณ์ได้แล้วในท้องก็มีอารมณ์นะ ถ้าแม่อารมณ์ไม่ค่อยดีลูกก็อารมณ์ไม่ค่อยดีเหมือนกันมันถ่ายเทยไปให้กันพวกเนี่ยอาศัยเลือดพ่อเลือดแม่เลือพ่อเลือดแม่ไม่ดีก็เลือดลูกไม่ดีเป็นมาเลือดพ่อเลือดแม่เคยเป็นเบาหวานลูกเกินมากก็เป็นเบาหวานเนาะการ ม, มาื่อพันสืบต่อกันไปอะนี่แหละมันจะเป็นอย่างนี้เอาไว้มาจนเราคลอดออกมานั่น ถ้าถ้าในท้องนะั้นถ้าวิญญาณไม่อยู่นะลูกก็จะแทงออกมาแนื่เราอิน ญ, ญานไม่ไปคลองอยู่ในกายหรือหากว่าเราไปทํางานหนักกระทบกระแทกตัวลูกธาตุสีมันแตกน้ําลมไฟมันแตกมันอะไรในท้องนั้นนะอิน ญ, ญาณก็อยู่ไม่ได้ก็นี้เหมือนกันก็แทงออกมาเหมือนกันอันนี้ มันเป็นอย่างนี้วิญญาณกับธาตุีลูกกับนามนี่มันอาศัยกันอยู่อย่างนี้ถ้าวิญญาณไม่อยู่ธาตุก็สีก็อยู่ไม่ได้ถ้าธาตุสีไม่สมบูรณ์วิญญาณก็ไม่อยู่ให้ให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละมันไล่กันไปอย่างนี้แหละคันห้าคลอดออกมาก็เรียกตั้งชื่อว่าให้ลูก ชื่อนั่นชื่อนี้ขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้อารมณ์มันก็เกิดตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละสร้างตาสร้างหูสร้างจมูกสร้างลิ้นสร้างตัววิญญาณเป็นเครื่องมือของมันเครื่องใช้ของมันพอเกิดออกมามันก็มาใช้อาวุธของมันนี่แหละใช้อัปกรณเครื่องใช้ของมันนี่แหละใช่กายใช่ตาใช่หูใช่จมูกใช้ลิ้นใช้กาย นี่แหละเป็นที่รับรู้อารมณ์ส่งไปให้เขาตัวอยู่ข้างในอันนี้เรียกว่าข้างนอกนเรียกว่าซารีละกายซารีละกายตัวอยู่ข้างในรอรับอารมณ์ท่านเรียกว่าทิพย์พย า, ายอยากได้อะไรตาก็ส่งไปให้อยากกินอะไรลิ้นก็ปากก็ส่งเข้าไปให้จิตมัญญากอะไรอยากได้ยินเสียงดีๆมันก็เอา ก็ส่งไปให้ตัวอยู่ข้างในมันก็คือทิพยากายสลีละกายทิพยากายตัวนี้นะแต่มีอีกอันหนึ่งนะซ่อนอยู่ในนั้นคือธรรมกาย <c oughs> ธรรมชาติกลายเป็นธรรมชาตินี่แหละมันมันเกิดมาคลอดออกมาก็เป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาทันทีแหละทีเนี้ย ก็เลยมาตั้งชื่อสมมติว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่ลมันอาศัยกันเกิดมาอย่างนี้ขันห้ารูปหนึ่งนามสีนี่ขันห้าเกิดเกิดมาอย่างนี้ขันห้าทีนี้จะดับยังไงดับขันห้าทีนี้ดับขันห้านี่ก็ยากอยู่นะเพราะว่าในใกายนี่ก็มีวิญญาณครองอยู่ ถ้าวิญญาณไม่ออกจากร่างขันห้ก็ยังอยู่วิญญาณตัวนี้มันก็อาศัยอยู่กับธาตุลมธาตุละเอียดวิ่งเข้าวิ่งออกเกิดดับอถ้าอยากตายก็ไปผูกคอตายไม่ให้ลมหายใจวิ่งเข้าไป่าดตัวตายกินยาตายมันถึงจะตายนะขันมันถึงจะดับให้นะผูกคอตายกินยาตายขาตัวตาย ก ร, ก, กระโดดตึกกระโดดบ้านตายสารพัดให้มันใจขาดมีดปาดคอเจ้าของตายอย่างเงี้ยกอเนี่ยวิญญาณก็เข้าไปอยู่ไม่ได้สิรีละก็แตกดับลงไปส่วนวิญญาณก็ไปสำเพวสีท่องเที่ยวไปหาที่เกิดใหม่นี่แหละเพราะวิญญาณดับ <c oughs> ขันห้าจึงดับนะ ถ้าดับดับขั้นห้าก็ดับที่วิญญาณดับที่ใจนี่มันเป็นปัจจัยโยงกันมาอย่างนี้วิญญาณกับขั้นห้าขั้นห้ารูปหนึ่งนามสีน่นี่เรียกว่าขั้นห้าก็มีตัววิญญาณมาอาศัยอยู่ในนี้ที่พูดให้ฟังมาหกสิบสี่วันมันจะมีเวทนาปัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้น นามสีจะเกิดขึ้นก็พูดให้ฟังละเอียดเฉยๆพวกนามสีเน้นกายกับใจนี่มันก็อาศัยวิญ ญ, ญาณอันนี้แหละมันจึงเกิดขึ้นมาผู้รับอารมณ์ก็คือวิญญาณตัวนี้ถ้าวิญ ญ, ญาณดับขันห้าก็ดับขันห้าดับวิญ ญ, ญาณก็ดับเหมือนกันต่างกัน ต, ต่างอาศัยซึ่งกันและกันอยู่อย่างนี้เรียกว่ายิงอาศัยกันเกิด ถ้าไม่มีวิญญาณขั้นห้าก็อยู่ไม่ได้ธาตแตกธาตุสีธาตุดินแตกออกธาตุน้ำแตกออกธาตุไปไม่มีธาดลมไม่มีวิญญาณก็เข้าไปอาศัยอยู่ในสรีละนี่ไม่ได้ัก็ออกหนีต้องเที่ยวซ้ำพรเวสีไปหาเกิดใหม่อีกเหมืนกับเราสวมเสื้อผ้านี่แหละเสื้อผ้าขาดแล้ว ก็ทิ้งไปอุพังเปื่อยแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไปซื้อตัวใหม่มาใส่อีกเก่าแล้วจิตของเราธาตุมันร่างกายมันธาตุขันมันใช่ไม่ได้แล้วจิตมันก็ออกหนีถ้าดับขันห้าก็บรรดับอยู่ที่ตัวใจเพราะวิญญาณเกิดขันห้าจึงเกิดเราก็ตามไปรู้อย่างนี้แหละวิธี รู้เท่าเอาทันขันห้าเห็นว่าขันห้าลูกเวทนาสัญญาสัญขันไม่ใช่ตัวของเราเมื่ออธิบายให้ฟังอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเราจริงเป็นตัวที่สัตว์มาอาศัยอยู่ชั่วคู่ชั่วคราวเฉยๆหรือเรียกว่าเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้หรือว่าเป็นเรือนร่างเป็นเรือนเป็นที่อยู่ของจิตของใจท่านเรียกว่าเรือนร่างเรียกว่าลูก ให้เข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ตัวเรากิงเป็นตัวเราอยู่ช่วคู่ช่วค้าเมื่อมันแตกดับไปแล้วมันก็ลงไปสู่ธาตุเดิมของมันขันหานต้องเข้าใจอย่างนี้ส่วนตัววิญญาณของเราไม่ตายออกไปนี่แหละสองอันนี่ก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอยู่ขังหานกับวิญญาณร่างกายกับวิญญาณธาตุขันกับวิญญาณตัวนี้ วิญญาณคืออะไรแล้วก็ไปรู้วิญญาณอีกจะดับวิญญาณไม่ใช่ผูกคอตายอันนั้นเขาเรียกว่าคนโง่ไม่ใช่ฆ่าตัวตายคนไม่มีปัญญาดับขันห้าดับขันห้ารู้ว่าขันห้าว่างจากสัตว์บุคคลแล้ววิญญาณก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลวิญญาณก็คือสัตว์มาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เฉยๆคนมาอาศัยอยู่ในบ้านเฉยๆ คนกับบ้านมันคนละอันกันต้องเข้าใจอย่างนี้เมื่อบ้านมันดำรุดผุพังคนก็หนีไปซื้อบ้านใหม่หรือสร้างขึ้นบ้านขึ้นมาใหม่จิตของเราก็หนีไปหาเกิดใหม่อีกเป็นภพไหนแหะที่นี่ตามกรรมแล้ววิญญาณคืออะไรก็วิญญาณก็คือจิตคือใจ ดวงจิตดวงใจนี่แหละมันอาศัยไปอยู่กับลมนะมันเกิดมาจากไหนแหละวิญญาณท่นี่วิญญาณคือถ่านรู้ต้องรู้จากวิญญาณซะก่อนวิญญาณคือถ่านรู้อาศัยอยู่ที่ลมหายใจถ้าดับลมหายใจได้วิญญาณก็อยู่ไม่ได้วิญญาณมาอาศัยอยู่ในตายก็อาศัยอยู่ในลมนี่แหละถ้าไม่มีลมหายใจมันก็อยู่ไม่ได้ วิญญาณตัวนี้คือธาตุรู้ธาตุรู้ตัวนี้ไม่มีเจ้าของนะแต่เรียกว่าชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นเพียงธาตุรู้เฉยๆเป็นความรู้อยู่เฉยๆต้องเข้าใจไล่ขึ้นไปอย่างนี้วิธีค้นหาหลักฐานต้องรู้จักวิญญาณวิญญาณเหตุเกิดวิญญาณวิญญาณเกิดมาจากไหน วิญญาณก็เกิดมาจากสังขานรนั่นแหละสังขารเกิดวิญญาณยังเกิดเพราะวนมานี่แหละสังขารเกิดวิญญาณยังเกิดสังขารคืออะไระต้องไล่ไปสังขารดับวิญญาณจึงจะดับถ้าอยากให้วิญญาณดับก็ต้องดับตัวสังขารเพราะว่าวิญญาณเกิดเกิดจากสังขาร สังขารถ้าสังขารเกิดวิญญาณก็เกิดถ้าวิญญาณถ้าจะดับวิญญาณก็ต้องดับสังขารนี่มันเป็นปัจจัยอิงอาศัยกันเกิดอยู่อย่างเงต่อกันมาเป็นลูกโซ่ต้องไปท้จักเหตุดับเหตุเกิดวิญญาณแล้วกันเหตุดับวิญญาณดับเหตุมันคือดับอยู่ที่เหตุ วิญญาณมันเกิดมาอย่างไหนมันก็เกิดมาจากสังขารสังขารก็คืออะไรก็สังขารก็คือ <c oughs> กายจสังขารนี่แหละ ว, ว่ายีสังขารจิตจะสังขารสังขารก็คือกายกับใจเพราะวนมาอันเก่านั่นแหละแต่เราแยกไม่ออกเชยๆหรอก <c oughs> สังขารก็คือ <c oughs> สิ่งผสมปรุงแต่งกันขึ้นกายจะสังขาร ก็คืออัตสาสะปฏิสาสะนี่ไวจีสังขารก็คือวาจานี่ยจิตสังขารก็คือใจคือความคิดนี่แหละความปรุงแต่งนี่แหละคือจิตสังขารวิญญาณมาเกิดมาจากนี้วิญญาณนะเมื่อสังขารดับวิญญาณก็จะดับดับก็ต้องมาดับตรงนี้ดับสังขารไล่ขึ้นไปอีกต้องรู้จักสังขาร สังขารเหตุเกิดอย่างสังขารสังขารเกิดมาจากไหนอีกแล้วไล่ขึ้นไปหาต้นหาตอมันกายจสังขารไว้จีสังขารจิตจะสังขารย่อลงมาก็เหลืออยู่ใกล้กับใจเคอเก่ า, ามันเกิดมาจากไหนหละมันเกิดมาจากอวิชชาอวิชชาปัจจัยสังขลาเนเพราะอวิชชาเกิดสังขารจึงเกิด ไล่ไปอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านตัดฉันดูต ร, ตรงนี้สังขารจะเกิดก็เพราะอวิชชาไล่ขึ้นไปอีกแล้วไล่ไปหาโคดหาสังขารรู้จักสังขารสังขารเกิดจากไหนสังขารเกิดจากอวิชชาวิช า, ชาปจัจญาสังขลาสังขารคืออะไรล่ะก็เกิดอวิชชาคืออะไรล่ะทีนี้อวิชชาคือ ความไม่รู้อวิชชาคือใจใจนี่แหละคืออวิชชาใจไม่รู้ไม่รู้จริงใจเป็นผู้รู้กวจริงอยู่จิตเป็นผู้รู้กว่าจริงอยู่แต่รู้หลงรู้สมมุติอวิชชาแปลว่าไม่รู้ไม่รู้จริงไม่รู้อะไรอะไรหามันไม่รู้อะไรอวิชนามันไม่รู้อริยสัจสีไม่มันไม่รู้จัก อดีตอนาคตหรือไม่รู้จักทั้งอดีตอนาคตไม่รู้จักกระแสปฏิจจสมบัติมีอะไรให้ฟังหนิตัวอวิชานี่แปลว่าไม่รู้อวิชาคือผู้รู้ผู้รู้คือจิตคือใจคือวิญญาณเมื่อใจไม่รู้ก็เรียกชื่อใหม่ว่าอวิชาใจรู้ไม่จริงอวิชาแปลว่าเมื่อแปลดันแปลว่าไม่รู้ไม่รู้ ความจริงความจริงคืออริยสัจจริงอริยสัจสี่น่ะไม่รู้อริยสัจสีมืดแปด้านอวิชชาไม่รู้เบื้องต้นไม่รู้เบื้องปลายไม่รู้ทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่รู้เงื่อนต้นไม่รู้เงื่อนปลายไม่รู้ทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลายหรือไม่รู้อดีตท่านก็ว่าไม่รู้อนาคต ไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคตก็อันเดียวกันไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทก็รวมเป็นแปดอย่างาวิชาแปลว่ามืดแปดด้านวิชาก็คือใจใจก็คือเราเราเป็นคนโง่คนหลงอยู <c oughs> ท่ทีนี้วิชาคืออันนี้แหละคือคือคือความรู้ไม่จริง อวิชาก็คือใจนี่แหละคือเรานี่แหละเรารู้ไม่จริงใจรู้ไม่จริงจิตหลงก็ต้องเอาจิตมาแก้จิตอบรมจิตเจ้าของเรียกว่าจิตตภาวนาเนี่แหละมาสร้างอบรมจิตเจ้าของด้วยการภาวนาเนี่ยจิตตภาวนาเพราะจิตเป็นผู้รู้ก็จริงอยู่แต่รู้สมมุติรู้สัญญารู้หลง ไม่รู้จริงจึงมาให้อบรมกิตอบรมกิดการอบรมกิตท่านก็เรียกว่ากิดตะภาวนาให้มาภาวนาภาวนาเพื่อแก้ความหลงถ้าหลงขึ้นมามันจะเกิดความโลภความโกรธขึ้นมาได้ถ้ารู้จริงมันจะดับความโลภความโกรธได้ทีนี่ก็ต้องสาวเข้าไปหาอาวิชาคื อ, อ น, นี่คือความรู้ไม่จริงคือมืดแปด้าน อวิชามันเกิดมาจากไหนต้องไล่ขึ้นไปอย่างนี้นะการเดินปัญญาการพิจารณาไล่หาทะเลาะกันอยู่อย่างนี้แล้มันเกิดมาจากไหนอวิชานี่โคตรเง่าของอวิชามันมีอยู่หรือพ่อแม่ของอวิชาก็ไล่ขึ้นไปหาหคนก็ยังมีพ่อมีแม่แตัดทั้งหลายเขาก็มีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิด อวิชามันก็ต้องมีพ่อมีแม่พ่อแม่ของอวิชาก็คือตัวถีติภูตังไหล่ขึ้นไปอีกธีติภูตังคือพ่อคือแม่ของอวิชายิติภูตังคืออะไรอยู่ที่ไหนไหล่ขึ้นไปอวิชาเกิดจากเนี่ยตามขึ้นไปดับมันหรือพูดไปอยไรเงีกยอีก อวิชาเกิดจากอะไรเกิดจากอาสวะอวิชาเกิดอาสวะก็เกิดอวิชาดับอาสวะก็ดับอาสวะดับอวิชาก็ดับมันอียงอาศัยกันที่แรกวิญญาณก็เกิดจากอวิชาโอสังขารก็เกิดจากอวิชาอวิชาเกิดจากอาสวะไล่ขึ้นไปนะ อาสวะคืออะไรเอาไปอีกจะดับอวิชชาถ้าอาสวะดับอวิชชาก็ดับอาสวะคืออะไรอาสาวะขยญ า, ยา น, นี่แหละอาสวะกิเลสนี่แหละยานสิ้นไปแห่งอาสวะกิเลสถ้าดับอันนี้ได้ไล่ขึ้นไปที่ท่านเรียกว่าอาสาวะขยญาญนนอาสวะกิเลสคือ การมาสะวะพ่อวาสะวะอวิชชาสะวะเกิดจากอาวิชชาอาวิชชาก็อาศัยอันนี้เกิดถ้าดับอันนี้ได้อวิชชาก็ดับง่ายไหมล่ะทีนี้วิธีดับไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาตามพุทธาอธิบายเอาไว้พระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้อวิชชาเนี่ยไปดับอาสะวะอาสะวะก็คือ พูดง่ายๆก็คือความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละตา ม, มาสะวะพาวาสะวะอวิชชาสะวะมันก็เกิดจากตัวนี้อวิชชาถ้าดับอันนี้ได้อวิชชาก็ดับความโง่ความหลงความรู้ไม่จริงให้พากันเอาไปให้ควรพิจารณาดูถอดขั้นห้าออกอย่างที่อธิบายให้ฟังนั่นะก็เริ่มรู้จักขั้นห้า อันห้าคืออะไรมันเกิดมาจากไหนหาเนี่ยคือลูกกับนามคือนามกับลูกนามกับลูกมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากสังขารก็ไล่ขึ้นไปแหะทีนี้สังขารคืออะไรก็มันเกิดมาจากวิญญาณวิญญาณคืออะไรคือใจคือผู้รู้วิญญาณคือใจคือผู้รู้วิญญาณคือตัวเรา วิญญาณคือตัวสัตว์ที่ลงมาปฏิสนธิในครันวิญญาณเกิดมาจากไหนก็ไล่ไปเกิดมาจากสังขารสังขารคืออะไรไล่ขึ้นไปดับสังขารได้วิญญาณก็ดับสังขารก็คือลูกกับน้ําคือกายกับใจคือเก้านั่นแหละสังขารดับวิญญาณก็ดับสังขารมันเกิดมาจากไหน สังขารคืออะไรไล่ขึ้นไปนะ่ะไล่ขึ้นไปมันเกิดจากอวิชชานี่ยนะอวิชชาปัจจยาสั่งคาลาน่ะสังฆาลาปัจจยาวิญญาณังเน่ยอิตหลงสังขาจรจึงไปถืออวิญญาณไปเกิดนี่เชื่อแห่งความโง่ความหลงยังมีอยู่อวิชชาดับไม่หมดมันก็ต้องไปเกิดหลงอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในขั้นห้านี่แหละ หลงสังขาร น, นี่แลหละคือหลงกายกับใจนี่แหละหลงกายจะสังขารไหวจีสังขารจิตตะสังขารก็ว่าหลงลูกกับนาำก็ว่าหลงกายกับใจก็ว่ามัวนวนเวียนกันอยู่อย่างนี้นะอวิชามืดแปรดันคือไม่รู้อสัจจะสี่อย่างนั้นพวกสมุทัยนีิโลดมากไม่รู้เงื่อนต้นไม่รู้เงื่อนปลายไม่เงื่อนต้นก็คือกาย พูดให้ฟังง่ายๆเงื่อนปลายก็คือใจนี่แหละอวิชาก็มาหลงกับกายกับใจนี่ใจก็ม า, ลานนหลงสังขารนี่แหละอวิชาแบบว่ารู้ไม่จริงแปลว่าหลงหลงสังขารสังขารเงื่อนต้นก็คือกายเงื่อนปลายก็คือใจเหมือนกับไหมอยู่ในกระบุงตะก้านี่ยละถ้าจับเงื่อนต้นได้ก็สาวออกทิ้งได้หมด ได้จับเงื่อนปลายได้ก็สาวออกทิ้งไปได้หมดไปใช้ได้หมดนี่แหละไม่รู้ทั้งเงื่อนต้นเงื่อนปลายไม่รู้อดีตก็ว่าไม่รู้อนาคตก็ว่าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทมีดแปรได้นี่แหละอันเดียวกันพูดไปหลายอย่างเฉยนะอริยสัจสี่อริยสัจสีก็คือขั้นห้าเกิดดับเหมือนกับฝนนะฝนตก ตกแล้วมันต้องหยุดฝ่ายตกฝ่ายเกิดเกิดแล้วก็ต้องตายเท่านั้นเกิดแล้วก็ต้องดับเท่านั้นอวิชาติไม่มีอะไรโอคอาริยะสัจสี่นี่ฝ่ายเกิดก็คือทุกข์สมุทยัยฝ่ายดับก็คือนิโรธมรรคเปรียบเสมือนฝนตกตกหาน้อยหาใหญ่หรือคนไปเกิดเกิดอยู่พบในชาติในประเทศไหนก็ตายหมด ไม่มีก็มีเกิดกับตายเท่านี้อริยสัจสี่ย่อลงมาให้ฟังง่ายๆเกิดกับตายอะไรเกิดอะไรตายขันห้าเกิดขันห้าตายเหมือนฝนตกตกแล้วก็ต้องหยุดตกมันไปตกอยู่ประเทศญี่ปุ่นประเทศอินเดียมันก็ต้องหยุดไปตกอยู่ประเทศเยอรมันมันก็ต้องหยุดตกแล้วก็หยุดตก แล้วก็เกิดแล้วก็ดับคนก็เหมือนกันคนที่อยากได้อิทธิฤทธิปฏิหารมันก็ไปหาภาวนาสร้างเอาเนี่ยไปภาวนาเพื่อจะได้ญาณได้อิทธิฤทธิได้ญาณรละลึกศาสตร์ชาติหนหลังอุเพนิวาสานุสติญาณไปรู้ว่าสัตว์ไปเกิดที่นั่นที่นี่ก็จุตูปปาตญาณ อันนี้เป็นญานโลกิยะไม่ต้องมาหาดอกบางคนไปหายานยานหูทิพตาทิพอะไรเพ่งกลางหูออกเวลานั่งสมาธิผ่ามาเล่าให้ฟังโอ้ยจะอยา่อยางได้อะไรไปเกิดเป็นอะไรก็ช่างชาตนั้นชาตินี้ไปเกิดเป็นอะไรเกิดแล้วมันก็ตายเท่านั้นจะไปหารู้มันมาทําไมยานพวกเนี้ย มันก็มีเกิดก็มีตายเท่านี้ไปเกิดเป็นเทวดาอินพรมก็มีตายลงมาหมดเกิดเป็นสัตว์ในโลกก็ตายคือกันเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตายคือกันเป็นคนก็ตายไปเกิดอยู่ประเทศไหนก็ตายนี่เรียกว่าฝนตกนั่นตกแล้วก็ต้องหยุดตกไปเกิดคนไปเกิดอยู่ประเทศไหนก็คือตายฝนตกอยู่ประเทศไหนก็หยุดตกก็เหมือนกันยกตัวอย่างให้ฟังได้เฉย ไม่ต้องไปอยากได้ญาณนัน้นอันนี้ดอกมันเกิดแล้วก็ตายเท่านั้นรู้จักเกิดจากตายที่เขาหากให้อยากได้ก็คืออยากได้อาอาสาวัคยาญาณญาณสิ้นไปเหงอาสาวกิเลดได้แกีติกามาสวะภาวาสวะ อ, อวิชาสวะพูดยอ่อยๆให้ฟังกิเลสพวกนี้นอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของเราอาสวะ หรือท่านเรียกชื่อหนึ่งว่าอนุัยอนุใสสามมันจะง่ายขึ้นนะทีนี้มันยังง่ายขึ้นนะนนงงนนะพูดเลยอาสวะนี่อวิชานี่เกิดจากอาสวะอาสวะดับอวิชาก็ดับนี่แหละมันมันเกิดจากไหนอนุัยอวิชาหรื อ, อนุัยก็อันเดียวกันเออกามาสวะภาวาสวะนี่คืออนุใสเรียกไหม ว่า ก, กิเลสนอนเนื่องอยู่ในสันดานมักอยู่ในสันดานเปรียบเสมือนน้ําเปรียบเสมือนตะกอนนอนอยู่ในก้นโอกมก้นตุ่มอนุใสยนี่อาสวะกิเลสเนี่อาสวะกิเลสก็คืออนุใสนั่นแหละแต่สาราคาอนุใสก็คู่กับกามาสวะ ปฏิคานุสัยก็คู่กับภาวาสะวะส่วนอวิชชาสะวะก็ตายตัวอยู่แล้วอวิชชาสัยกับอวิชชาสะวะก็อันเดียวกันมาสงสัยตั้งแต่ปฏิคานุสัยกับภาวะนี่แหละทำไมมาเรียกอันเดียวกันภาวะคือพบพบนี่พบของคันห้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นตัวปฏิคานี่คือ การกระทบกระทั่งความขัดเคืองเพราะมันกระทบกระทั่งตัวภบนี่เหมือนกันอารมณ์เข้าไปกับภพบิตดยึดจึงเกิดเป็นภบเป็นชาติสร้างตัวเราออกมารับอารมณ์ฉะนั้นตัวตัวภาวะนี่เรียกว่าการกระทบการกระทบกับปฏิฆะก็แปบแปลว่ากระทบกระทั่งเหมือนกันท่านจึงเรียกใส่กันว่า เรียกใส่กันว่าภาวะสวะก็ได้จะเรียกว่าปฏิคานุใสก็ได้ลาคานุใสกับกา ม, มาสะวะอันเดียวกันเรียกใสกันได้ทีนี้เราก็หาเข้าไปอีกแล้วอนุใสสามมันเกิดมาจากไหนอาสะวะเนตัวอวิชาสะวะคือความรู้ไม่จริงคือความโง่ความ หลงมันก็เกิดจากนี่แหละลงมานี่เนี่เกิดจากพันห้าเกิดจากอายตนะภายนอกภายในนี่นี่แหละภูมิสติปัญญาต้องค้นหาอย่างนี้เกิดจากอายตนะภายนอกภายในกระทบกันวิญญาณรู้ขึ้นเป็นผัสสะวิญญาณรู้ขึ้นก็เกิดผัสสะก็เรียกว่าผัสสะผัสสะคือการกระทบ วิญญาณลูกนี่จะส่งเข้าไปตัวสาลีร่ากายที่ว่านี่นะจะส่งวิญญาณหูวิญญาณตาไปบวกใจผัดสะกับใจสัมผัสกับใจหรือไปกระทบกับใจใจก็เกิดเป็นภพเป็นชาติขึ้นมาใจก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาเนี่ยเกิดยินดีขึ้นมาก็ นี่แหละอิทธาลมยินดีพอใจก็เรียกว่าราคานุสัยตามนอนหรือสุขเวทนาเกิดแน่มันมา อ, อยู่นี่นะดับอาสวะไม่ได้ไปดับที่ไกลนะดับราคานุสัยได้ก็ดับก า, กามาสวะได้นี่แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นถ้ามันกระทบกันเกิดขัดเครื่อง ในขั้นห้ารัดเครื่องในรูปเสียงกินรถนั้นไม่ยินดีไม่พอใจก็เกิดปฏิฆะมันกระทบใจแล้วก็เลยเกิดไม่ยินดีไม่พอใจขึ้นมานี่แหละมันมันมันเป็นทุนเป็นตะกรอนนอนอยู่ในตุ่มก้นตุ่มก้นออค์เวลาน้ำมันใจเรามันก็เพิ่มขึ้นมาตะกรอนอยู่น่นก็ ออกขุนมัวขึ้นมาเท่านั้นใจก็ขุนมัวขึ้นมาเท่านั้นมันมันมันมันนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานมันนอนอยู่อย่างนี้เมื่ออารมณ์ไปกระทบมันก็ลุกออกมารับอารมณ์เรียกว่าพบพบเรียกว่าภาวะอันห้าก็เกิดพบหนึ่งตาได้ยินเสียงขัห้าก็เกิดอีกกตาเห็นลูกขันห้าก็เกิดขั้งงูได้ยินเสียง แมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสวันหนึ่งวันหนึ่งขันห้าเกิดนี่เป็นอยู่อย่างนี้เป็นอริยสัจจริงอยู่อย่างนี้ถ้ามีผู้มีปัญญาก็ดับขันห้าด้วยเข้าใจด้วยความรู้สติปัญญาว่าขันห้าเกิดกับดับความกันเสมออยู่อย่างนี้อย่าไปตื่นขันห้าอย่าไปตื่นโลกตื่นอารมณ์ตื่นขันห้า อารมณ์มันจะเกิดอยู่อย่างนี้อย่าไปหลงโลกหลงอารมณ์อย่าไปตื่นโลกตื่นสงสารนั่นสงสารคือขันห้ามันเกิดมันตายหมุนเป็นวัฏจักรสงสารอย่างนี้เกิดครั้งหนึ่งก็เกิดอารมณ์ใจมีใจเดียวเกิดได้อารมณ์เดียวถ้า ใ, ใจรู้เท่าขันห้าคืออวิชชาคือดับอวิชชาได้อวิชชาน้สัยดับความโลภ ก็เกิดขึ้นไม่ได้ความโกรธเกิดขึ้นไม่ได้ความโลภความโกรธก็ Abe, เกิดขึ้นจากอวิชชาเกิดจากความรู้มร ing, four, right. FREE, ไม่ <ma> no <ity> จริงถ้ารู้จริงก็รู้อริยสัจสี <ma> ่ต้องรู้ว่าขันห้ามันเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้ไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั่นมันกระทุกทุกกระทุกเองมันเกิดมาดับเองทุกเองเขางมันอยู่อย่างนี้ไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีผู้มาถือเอาขันห้ามัไม่ไม่อุปทานขันห้าก็ มันจะเกิดมันด้กี่ครั้งร้อยครั้งพันครั้งราคานุตสัยก็ไม่เกิดปฏิฆานุตสัยก็ไม่เกิดเพราะเรารู้เท่าเอาทันขันท่าเพราะอาวิชชาดับนั่นเข้าใจไหมท่านอวิชชาดับความโลภความโกรธความหลงก็ดับมันมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้ราคานุตสัยปฏิฆานุใสอวิชานุใส อวิชานุัยดับหรืออวิชาสวะดับความรู้ไม่จริงดับความโง่ความหลงดับลงความมืดดับลงปัญญาคือแสงสว่างก็เกิดขึ้นเรียกว่าวิชาอาวิชาดับวิชาก็เกิดที่เรียกว่าอวิชาเะเววะนั่นดับอวิชาดับสำหรับไม่มีเหลือหนึ่งที่เราว่ามานบ้านอย่าง สังขารก็ดับสังขารมันก็เกิดสักกี่ครั้งล่ะวันหนึ่งวันหนึ่งคันห้าเกิดกี่ครั้งเราไม่ไปหลงคันห้าไม่ไปหลงสังขารเนะ่ะไม่ไปอุปทานเอาคันห้าก็ทําที่สุดแห่งทุกได้นี่นี่แหละเรียกว่าวิปัสนาภูมิพูดถึงคันห้าก็ทะลุใส่กันหมดภูมิ นิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งซึ่งอะไรรู้แจ้งซึ่งขันห้าดับขันห้าได้ภูมิจิตภูมิใจภูมิสติภูมิปัญญาเอามาภูมิสติภูมิปัญญาภูมิจิตภูมิใจภูมิศิลปภูมิธรรมเหล่านี้แหละเราเอามาเพื่อดับขันห้ามาจะดับขันห้าได้ก็มารู้แจ้งซึ่งขันห้า ถ้ารู้แจ้งซึ่งขันห้าริงจะดับขันห้าได้ถ้ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันรู้แจ้งแทงตลอดนะอย่างที่เราตั้งสัจจะอธิษฐานนะขอให้กิจของข้าพระเจ้าจงเยือกเย็นเป็นสมาธินะนะั่นมันจะเป็นสมาธิมันจะเยือกเย็นลงนะเย็นลงเย็นลงรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจงทุกประการเถนะิด รู้แจ้งเอาอะไรมารู้แจ้งก็เอาปัญญานี่นะมารู้แจ้งพระธรรมคำสอนก่อนได้แก่ลูกทำนา้รทำนี่นะพระธรรมคำสอนของพระเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันก็เขียนออกจากก้อนสกลกายอันกว้างศอบยาวานาคืบแยกออกเป็นปริยัตปฏิบัติปฏิเวชนี่คำสอนของพระเจ้าปริยัติ แปดรวมกันเป็นแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์แยกออกเป็นพระสูตรสอง0มืนพันสูตรแปดมืนสี่พันแยกออกเป็นพระวินัยสอง0มื่นหนึ่งพันสูตรแยกเป็นพระปรมาตี่มื่นสองพันสูตรก็รวมเป็นแปดหมื่นสี่พันสูตรี่พันพระธรรมขันธ์เมื่อเราเอามาปฏิบัติ หรือจะปฏิบัติลงก่อนปฏิบัติลงสามขั้นปฏิบัติกายเจ้าของให้ดีไหวใาจาให้ดีใจให้ดีเท่านี้สามขันก็ย่อลงมาอยู่อีกสองขั้นคือเขียนลงไปได้ห้าขั้นรูปหนึ่งน้ำสีนี่เขียนลงมาย่ออยู่สองขั้นเท่านี้คือกายกับใจคือรูปกับน้ํารูป ท, ำ น, ำ, ทำน้ํำทำนี่รูปทำนี่ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ของจิต ก้อนธาตุตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอุปกรณ์เครื่องชายของมันเมื่อใจมาอาศัยอยู่ในกายไล่เข้าไปอย่างนี้แหละอวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับนามรูปก็ดับนามรูปดับอายตนะก็ไม่เกิดไม่มี ไล่ขึ้นไปน้ำรูปมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากวิญญาณวิญญาณดับน้ำรูปก็ดับวิญญาณมันเกิดมาจากไหนไล่ไปมาเกิดมาจากสังขารสังขารเกิดมาจากไหนเกิดจากอวิชชามันก็เป็นปัจจัยยิงอาศัยกันเกิดอยู่อย่างนี้เรียว่าปฏิจจสมุป บ, บาท ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้ว เ, เราก็พยยิจารณาไล่ดับขันห้าได้ดับอาสาวัคคายาณได้อาสาวัคคายานเกิดยานสิ้นไปแห่งอาสาวกิเลสอาสาวกิเลสคือกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในกิตตสัณฐานอันได้แก่กามลากามาสวะภาวาสวะอวิสาสาวะ อวิชชาสวะดับอาสวะดับอวิชชาก็ดับความหลงก็ดับวิชาก็เกิดขึ้นมาแทนอดับขันห้าได้ไม่อุปทานขันห้ารู้จักว่าขันห้าเป็นเองเกิดเองดับเองอยู่อย่างนี้รูด้ด้วยอริยสัจสีว่ามันเกิดมันดับอยู่อย่างนี้ไม่มีสลายจันท์ัน ตัววิญญาณมันตายไม่เป็นวิญญาณก็มาเป็นตัวอวิชาความรู้กับความหลงก็คนเดียวกันก็คือใจาใจโง่อยู่ก็แก่ใจหลงใจแก่จิตโง่หันยกเอาน้ําบ่งจิตหลงเอาจิตแก่เอาจิตแก่จิต เ, เจ้าของอธิบายแกะอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละเรียกว่าวิปัสนาภูมิยัตตนาก็อยู่ในขันหานี่แหละ ขันห้าจะเรียกว่าอายตนะก็ได้เรียกว่าธาตุสิก็ถูกอายตปก็มีอยู่ในขันห้านี่แหละเห็นขันห้านี่เป็นธาตุพิจนาด้วยความเป็นธาตุเห็นเป็นอินทรีย์ยีสบสองเห็นขันห้าเป็นอริยสัจสี่รู้อริยรรสัจสี่ด้วยยันสต่อไปก็ไปเห็นปฏิจจสมุปบาทก็คือขันห้าอิงอาศัยกันเกิด ตายกับใจหญิงอาศัยกันเกิดเกิดแล้วก็ดับตายกับใจก็คือขั้นห้าอันเกา่าไม่พูดนี้ไปไหนพูดไปพูดมาก็คือขั้นห้าหลงก็มาหลงขั้นห้านี่แหละลูกก็มาลูกขั้นห้านี่แหละจะมาลักมาชังก็มาลักขั้นห้านี่แหละมาชังขั้นห้านี่นหะไม่ได้อยู่ที่ไหนให้พากัน เข้าใจนะเข้าใจดับขันได้ไม่ต้องไปถามใครหรอกผู้ขานดับขันหาได้ไปนอกไม่ไปถามใครแล้วรู้จักขันห้าไหมละ่ะขันห้าคืออะไรมันเกิดยังไงมันดับยังไงขันหา้าขันห้าเกิดดับถ้าเข้าใจอันนี้แล้วนี่แหละเรียกว่าปัญญาวิมุติสุดพ้นด้วยปัญญา จิสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้อันเรียกว่าปัญญาวิมุตต์วิมุตต์ก็แปลว่าหลุดพ้นหลุดพ้นจากขั้นห้าด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญ า, ด, ด, ญญาด้วยวิปัสนาภูมินี่แหละเอาวันนี้พอพูดให้ฟังแจกแยกให้อย่างละเอียดไม่ให้งงไม่ให้สงสัยวิธีเดินปัญญานั่นเดินยังไง แยกออกอย่างนี้แหละอธิบายไปในยังไงก็ได้มันก็ลงมาอยู่อย่างนี้คือเก่านะเอวังเอวังอ๋อโอ้เหมือนนี่เอาขั้นหาคัดยองปั่นเขายองบางเลยแยกแยะออกเข้าใจว่าไรใช่ไหมไปก่อน มันสิทับโซนนี่ยงังกายกับใจเท่านั้นเขามาเอื่นออกจากนี่ไปเมื่อตนแล้วเพราะไปไล่ให้งงไปหนาตีเฮ้ยกายกับใจอายตนะก็ตาหูจมูกลิ้นก็เกิดจากนี่แล้วเพื่อนเ อ, อื่นอายตนะกันได้เพื่อนเอื่นธาตุที่แก็เอื่นออกมาจากนี่แล้วเพื่อนเอื่นว่าอินทรีย์ที่สองก็เอื่นมาจากทันหาร เพื่อนเ อ, อิญอธิษัาซีก็คือขันขาหาเกิดดับนี่เนาะไปซะอีกเพื่อนเอิญปฏิจจสมุทบาทมูเจ่อวงหุ่นจักภาษาธรรมนี่ดกอกความันสีงงงผูคนหุจ่จักปฏิจจสมุทบาทเพิ่งกะมองงงแล้วเฮ้ยปฏิจจสมุทบาทก็คือขันหานั่นแหละก็หลงขันหาคือเก้านั่นเนี่ยอวิชชานั่นปัจจจสังขารเนะี่ยอิดหลงสังขารเนนะ่ย สังขารก็คือสังขารสังขารก็คือขันหาแม้นวสันอาบิชาปัจจะยั่งสังขารานะั่นจิตลงสังขารจึงไปถือเอาวิญญานไปเกิดอีกหาจิตดับสังข า, ารได้ดับขันหาได้ก็พอล่วงไปเกิดอีกแเราละย่ายมันสิมีอยู่เสมันชิงองงโยเสอ่ามือแล้งนี่ยกระพือไปเดินจงกรมไม่เดินจงกรมกวนั่งสมาธิ เอาว่าเอาจิตนี่เนี่ยเอาปัญญานี่เนี่วิปัสสนาพุม่ม เ, เอาปัญญาผ้ากายจล้องถิ่งตั้งต่อพาออกถิ่งจะเห็นแท้ข้อมว่างเปล่าอยู่เนี่ยนี่แหละว่างพระพุทธเจ้าอยู่เอาปัญญาผ้ากายออกถิ่งจึงจะเห็นกับบินเบือ้องโคดมพระเจ้าอยู่นั้นบนประสงค์สืบส่งเน่าหันญะไกเฮ็ดยุหันยะ า, า, า, ายนี้ พ่ใหญ่บอกให้นี่เน่าหันจะกายเฮ็ดย่หันย่ากายนี้มั่งกายย่อคล้องย่หันอ่ะถอดออกทิมทอดอันนั่นออกทิมถามมันเล่ามันเขามันสัดมันบุคคลบอผมเนี่ยถอดอันนี้ออกมาถามบ้างอีกมันเล่ามันเขามันสัดมันบุคคลบอเนี่นนะถอดอันนี้มาถามอีกมันเล่ามันเขามันซัดบุคคลบอเนี่ตัดแขนออกมานี่แขนมันเล่ามันเขามันสัดบุคคลบอเนี่ย ถอดตาออกมาตาเม็นสัดเหม็นคนเม็นเขาเม็นเล่าบอลหูตัดหูออกมาสองข้างอันนะั้นมะกองไหวนี่หูนี่เม็นเล่าเม็นเขาเหม็นสัดเหม็นบุกข้นบอลอันนั้นานน้ำล้มไฟมากอตัวกันขึ้นเสื้อปัญญาหา้าวลูกเมดวังหันอธิบายให้เข้าใจได้อดินาน้ำล้มไฟมากอตัวกันเสื้อดินาน้ำล้มไฟได้มา่อเทสก็ะทามไปเป็ตัวเัมือน ดินกับมาได้จากมาจากพ่อนี่ตัวธาตุพ่อเนว่าตัวน้ำ ก, ไาา ก, กงงไ็ได้มาจากธาตุาแม่ตัวแม่เพาะสนเจ้าเสื่วงมองได้ขนนี้เอาฮะได้มาจากธาตุพ่อธาตุแม่นเนี่ยพออย่อแม่ปัญหให้เนี่ยเพราะไงไก่ไม่ไงกองปัญหาดินกับน้ายุ่งเน่ยเอที่ไปโลงมองได้ขนาดนี้ดินกับว่าแม่ของพราะไงกองพาไงไก่เพราะไม่ไงกองอ เป็นธรรมชาติเขาใจว่าให้นไงมันก็ตัวขึ้นที่หลังว่ามีเจ้าของอยู่นหนีตายเราก็เอาไปน้าบ่ได้ดินนะมันว่ามันคนข่นมันสัดมันธาตุเดิมเขาก็เข้าใจเองสิตัวสิไปไปงงมองไหนฮมันเป็นธาตุก็ยังว่าเป็นธาตุธาตุสิบแปด 18. มันว่ามีเจ้าของธาตุหนึ่งคือมูลเดิมของเดิมของเก่าของเดิมด ม, มันว่ามีเจ้าของธาตุนี่ย น, นะเขาก็หัจักตัวธาตุ มาเอือนว่าอันนั้นว่าเอือนว่าสมมุติว่า น, นั่นอันนี้ก็สมมุติเชื่อเื้มันก็ล่งสู่ถาดเดิมดของมันขื้นเขามะก่อตัวขึ้นแล้วคือต้นไม้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเผาไฟเห็ด ฟ, ฟืน้นแมนมอใหญ่แล้วต้นไม้ไปใส่ไปก็เป็นดินน้ามก็เลิกเห้ยนี้อยู่ในต้นไม้กายของหอก็เขาไปเผาไฟกับน้ามันก็เลิกเฮ้ย น, นี้กับเล็ดได้ทเท่ากับต้นไม้ ดินนั่นว่าไม่มีเจ้าของเลยบ า, น น, า น, น, น, น, นนี้ดินเพื่อใดฮะนี่แน่นว่าสันสันมันดินเป็นคลองเฮาเฮาก็เอาไปน้าตัวมันมันเป็นคลองเฮาเด้เฮามาอาศัยอยู่ชัวรผู้ชัวรข้าวอธิบายนี่ฟังแจกนีก่ฟังหมดแล้วเข้าใจไหมล่ะฮะฟังออกไหมล่ะแม่สมอ่ะเฮามานันนอนทับอยู่นี้ดับคันหาได้กัไม่อุปทานคันห่าน ว่าโดยย่ออุปทานขันห้าคือทุกข์นี่ยนะถ้าดับขันห้าไม่อุปทานขั้นห้าคือที่สุดแห่งทุกข์คือการไม่ยึดไม่ถือเนี่ถ้าไปยึดถือเอาขั้นห้าว่าเป็นตัวตนสัตวบุคคลก็คือทุกข์ถ้ารู้เท่าเอาทันขั้นห้าว่าไม่อุปทานขั้นห้าขันห้าเกิดแล้วรู้เท่าเอาทันขั้นห้าก็ไม่ยึดไม่ถือขั้นห้าแต่ที่สุดแห่งทุกข์หรือที่สุดแห่งทุกข์คือการไม่ยึดไม่ถือ ทุกคือการไปยึดไปถือที่สุดแห่งทุกคือการไม่ยึดไม่ถือไม่ยึดไม่ถืออะไรไม่ยึดไม่ถือขั้นหา้าว่าเป็นเราเป็นของของเราถ้าสงสัยอยู่ก็ถอดกายออกมาดูอีกตัวใหญ่ฮะอดผมคนเล็บออกมาดูอยู่เงั้นก็ยังพูดให้ฟังแล้วอย่างช้าก็เจ็ดปีนะว่าตายกนเป็นพรอหัหันอยู่ดอกเาเจ็ดปี อย่างแลี้วก็เจ็ดเดือนเนี่ยให้ปัญญาข้องเช่าว่องไวก็เจ็ดเดือนเลี้ยวกาอีกเจ็ดวันน่ะพระพุทธองค์พยากรณ์เอาไวน้นะไม่ใช่หลว ง, งตาพูดนะท่านพูดเอาไว้ท่านตัดเอาไว้พระพุทธองค์ตัดเอาไว้เอ่ถ้าถามอย่างนี้ก็เพิ่มความเข้าใจอีกน้อยย่อน้อยันสีบองงว่าหลงต่อไปเพศอันไหนก็มาลงอันเก่า เหตุอันไหนก็มาลงอันเก่ามาลงศีลสามาริที่ปัญญาคือเก่าเอาพาเลิกลาไ ป, ไปเลยเนี่ย